โซลินบอกกับหลวงพ่อช่วยเทศหน่อยมอนที่จริงถ้าคุณอะขอนอบน่อมๆแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์กายจา ก, กเกเรตัสโลชอบได้โดยองค์เองแล้วก็พ้นทุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาสอนเราให้พ้นทุกนะตามว่าหลวงพ่อหลวงปู่เทียนปรมาการปรมาจารในการเจริญสติครงพวกเราหลวงปูกับเขียนะ ท่านอาจารย์ยุกิอาจารยา์สัญญาอาจาร ย, าารยา์สุรินพระเทวานุเถระมัชเชวะนาวกะไม่ข่าวแม่ใชอคนน้อยคนมากไม่สําคัญสําคัญตรงที่มีสติถ้าทําใจพ้นทุกข์เนี่ยตัวนี้สําคัญที่สุดจากคุณประยุทธ์จบปริญญาตรีเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงบุรีจากคุณมหลาลัยจบปริญญาตรีจบ พ, จบพอม อ, อ พิเศษมัธยมเป็นครูไปอยู่อเมริกาสิบปีพวกนี้เขาไม่ได้ฟังนะไม่ได้จำไม่ได้คิดนะที่เขาเข้าใจธรรมะหลงพ่เทียนวิธีออกจากทุกออกจากความคิดเนี่ยเขาลงมือทําเลยอ่าลงมือทําเลยหลพ่อจะ า, ค, าคุณมหาไหลไปยกมือที่ในท่สุดออกจากความคิดออกจากความทุกข์เลยทุ่มชีวิตให้กับสายโรงพ่อเทียนเลยเจ้าคุณประยุทธ์นั่นไม่ได้เราไม่ได้ฟังท่านแต่ว่าท่าน เทศถ้าบอกให้โยมยกมืออ่ะยกมือฟังอ่ให้ฟังอย่างนี้นะไปละท่านพ้นอ่ทเทศท่านนั่งอยู่ท่านก็ยกมือยกมือฟังอ่าอันนี้ก็เหมือนกันขอให้โยมทั้งหลายยกมือไปีเคลียรยกมือก็เอามือวางไว้แล้วเอาเอานิ้วมือไปมือแล้วนิ้วชี้ไปเขลียตรงอุ้งมือก็ได้นะอ่าเขลียรตรงอุ้งมือทำไปให้ความรู้สึกไปหลวงพ่อก็เหมือนกันที่เข้าใจหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ใช่ฟังเทศ ไม่ใช่จำไม่จะคิดสินะแต่ทําเนี่ยยกมือยกมือขึ้นทำชาช้าเป็นคนใจเร็วชอบทําไป ร, รุนแรงรวดเร็วเนี่ยทำช้าช้าเบาๆพอทําไปทําไปมันสบายเหมือ น, นก็มีเทวด า, ามาช่วยยกมือน่ะโอ้สบายดีะนะเบาสบายดีเบาก็คือไม่หนักหนักคือทุกเบาคือไม่ทุกสบายก็คือไม่ทุกลําบากก็คือทุกนี่รู้สึกจับได้อย่างนี้ก็เลยเชื่อลงพเชื่อเลยน ะ, น ะ, น ะ, นะนะ เชื่อเชื่อมันอม่นแต่เราปฏเสธว่าท่านสามารถออกจากทุกข์ได้ออกจากความคิดได้ะทําทําไปเลยอะไรบ้าเป็นคนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายฟังทำแล้วทําเลยมันจะได้เข้าใจอเข้าใจพวทันทีเลยเอเข้าใจตัวเองจะยกขึ้นมายกรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกเปล่าๆรู้สึกตรงๆรู้สึกบริสุทธิ์รู้สึกรุ่นๆรู้สึกสักว่ารู้สึกเฉย พระมองฟัมเสียงกายนะมุบมุบเว่งอัดสต๊อบเ a n งย่แหนแบะเอาแวแบะเอเซนชันยกมือยกมือแล้วก็รู้สึกมันมีสองจังหวะกันอี่ยงจังหวะเคลื่อนไหวจังหวะหยุดจังหวะเคลื่อนไหวก็รู้สึกจังหวะหยุดก็รู้สึกรู้มีรู้เดียว เคยรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกเป่าๆนี่งหลวงก็เขียนว่าตัวรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆเนี่ยตัวนี้คือตัอุเบขาอุเบขามันเฉยมันไม่ปรุงไม่แต่งตัวปกติเหมือนคือตัวสงบใช้ช้นสัตว์โลกอีกทีว่าคืนที่ผ่านเออตัวรู้ึกซื่อๆเนี่ยรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ว่าเปล่ารู้กลางๆรู้ล้วนๆเนี่ยรู้บริสุทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าตัวเนี้ยคือตัวอุเบขา คือตัวคือจิตปกติคือจิตสงบแล้วก็ ส, ส, สรุปอีกว่าตัวสงบเนี่ยคือผนิพานอคือจิตว่างจากกิเลสว่างจากลึกคิดปรุงแต่งเนี่เราต้องรู้เองนะไม่ใช่รู้ตามคําพูดนะต้องรู้ที่เองยกมือก็สังเกตเลยเนี่ยไ้เนี่ยความคิดก็ไม่มีคําพูดก็ไม่มีอไม่มีอะไรเลย ร, รู้สึกเปล่าเปล่าเ่ยรู้สึกเปล่าเป่ารู้สึกซื่อซือรู้สึกเฉยเฉย ไม่มีสมมุติเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีความคิดอยู่นั้นไม่มีความโลภความกดความหลงอยู่ในนั้นเลยอเป็นรู้ олн, ล้วนลวนรู้บริสุทธ er ิ์สักว่ารู้เฉยเฉยนั่นแหละที่เราเผอไปเผอไปตัวโง่ไอ <ER ้ตัวอยากตัวสงสัยนั่นแหละตัวสงสัยก็คือตัวโง่นั่นแหละตัวอยากก็คือตัวโง่นั่นแหละทําอย่างนี้จะได้อายล่ะคิดขึ้นมาจากอะไุ้งไปแล้วคิดคิดด้วยตัณหาคิดด้วยความอยากคิดด้วยความสงสัยอยากรู้เจะไปรู้อะไร น้องผดเสียก็พูดชัดอยู่แล้วกายว่าจาจใจคือธรรมะคือศาสนาย่นลงมาคือรูปกับนามคือกายกับใจนี่แหละคือตัวคือตัวธรรมะคือตัวศาสนาเองเนี่ยเรียนตรงนี้สอนตรงนี้รู้ตรงนี้หลุดพ้นตรงนี้ที่เราก็ก็ยังยึด่าตัวเราตัวเราอยู่ไม่ยอมไม่ยอมให้กายเป็นธรรมะฝ่ายรูปใจเป็นธรรมะฝ่ายนามรูปธรรมนามธรรมรูปประธาณามระธาต์กายธรรมะใจธรรมะเนี่ยมันไปยึดเป็นตัวเราตัวเราอยู่่เนี่ย จิตธรรมะมันก็รรทําหน้าที่งมันอย่างไรธรรมะฝ่ายปรุงแต่งแสงขานมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปทําหน้าที่แก่ทําหน้าที่เจ็บทําหน้าที่ตายขึ้นมาไปเกิดแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายในพูดตามภาษาสมุดถ้าพูดตามภาษาธรรมะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปอุปัฏะภาษาบาลีทิฏฐิตั้งอยู่ชั่วขณะฟังฆ่าอัดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปอุปาทะทิฏฐิฟังค่อในภาษาอังกฤษก็เลย rising Rising e x i t ิติง moment มนต falling เกก็คือสามสามภาษาถ้าฟังรู้เรื่องก็เฉยฟังไม่รู้เรื่องก็เฉยนั่นแหละเข้าถึงธรรมแล้วเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์พระอรหันต์ถึงแล้วใจมันเฉยอยู่นะมันไม่มันไม่อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจแบบความหมายมันเป็นยังไงก็เถีงความหมายสูงสุด ก็คือจิตหลุดพ้นจากอารมณ์นั่นเองจิตไม่ติดอารมณ์เลยจิตซื่อๆจิตเฉยๆนะั่นนี่ ค, คือความหมายสูงสุดด้วยการการกระทําสูงสุดนะตัวนี้เองตัวสุดท้ายตัวจบตัวสําเร็จตัวบริสุทธิ์ตัวหลุดพน้นก็ตัวนี้นะ่ะตัวใจซื่อๆเฉยๆเปล่าๆนี่แหละรู้อะไรแนละ้วกระทบต้องควจับได้ทีหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่นะรการทำกับจัญญาตากันเทศโอ้ยตื่นตั้งแต่ตีสี่อ่า วายสองยังไม่ลงธามาเนีย่ยเทสอยู่ไปนอนง่วงนอนไปนอนนอนถึงสี่ชั่วโมงสี่โมงเย็นพอสี่โมงเย็นกลับมากลับมาอีกมาเขาอยอาท่านนึ่งเทศอยู่อีกดูดูมันยังไม่ยอมจบเลยตัมมาก็นั่งหายใจเข้าพุทธหายใจโทะตัวตรงนี่พุทธโทมันดับมันไม่มันไม่ว่าอ่ะมันเป็นอุโบสขามันวางเฉยอยู่นะไม่ติไม่ชมใครเลยตัวตรงนั่งเฉยอยู่รู้สึกตัวอยู่ไม่หลับเนะ่ ยมชมบอกว่าโอ้หลวงพ่อนั่งตัวตรงดิ่งดีจังสงบทีจังวะเข า, ขขมเขาเชมแล้วก็เฉยเลยน่ยยุ่งสิเนี่ยยุงมาทดสอบยุงกัดทักเข้าไปมันเจ็บนะร่างกายมันเจ็บแต่ใจไม่ไม่เจ็บะใจไม่โกรธโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเะไอ้ตัวมาปล่อยวางไอ้ตัวอุ้งไปขาตัววางเฉยตัวปกติมันเป็นอย่างนี้เองอ่ะจับได้จับได้ที่หนึ่งอ่เป็นอย่างนี้เองยุ่งกัดอมันแป๊บที่เนือเนี่ยแต่ใจเราไม่แป๊บเนี่ย ใจโลเฉยไม่ตบไม่ติมแต่ว่าต้องไล่มาหน่อยเพราะว่ามันมีเซลลอโรจับได้ทีนะมันไม่ตรงกับหลวงพ่อเทียนเลยทุกเนี่ยรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ปรเปล่าๆอะไรไรเวลาอะไรกระทบอะไรสัมผัสอ๋อมาตรงแล้วทีนี้นี่หลวงพ่อเทียนท่านมาให้ไม่ให้ไม่ให้บริกรรมริงนิ่งจริงนิ่งดีกว่าถ้าก็ลบออกขอามาจริงกับนิ่งริ่งก็คือเคลื่อนไหวติ่งก็คือมุ่งวิ่งไะนิ่งก็คือสต๊อฟก็หยุดนิ่งอยู่ฮะจริงนิ่ง มุ่งปลี่ยนแอนตี้ตปิี่ยนหยุดไม่พูดในใจไม่ท่องในใจไม่บริกรรมเลยนะให้ทำเฉยๆเลยนะพอ ท, ทํำเฉยๆเนี่ยมันจะรู้อารมณ์เลนะมันจะรู้ว่าใจมันเฉยหรือเปล่านะหรือใจมันคิดนะใจมันอยากก็ือใจมันยุ่งอนะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรเมื่อเห็นมันมันจับได้ชัดที น, นี้พวกที่ท่องบริกรรมยุบเนอพองเนอคุดโทสัมมาอรหังอะไรไอตัวท่องมันเข้าไปบงับงเลบังบังอารมณ์ของใจอ่ะบังความรู้สึกของใจเข้าใจไหมไปท่องเนี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า สงบแบบทินทับยากไงพอหินออกยากกว่าขึ้นเนี่ยนเนี้ยที่ที่ลวงพ่อเขียนท่านก็พูดเหมือนกันมาชนะด้วยเล่ยก็เอาด้วยกลงมาเดินบนด้วยขาถาคําว่าที่ท่านบอกว่าโกรธไม่โกรธเน่ยที่จริงไอ้คาว่าไม่โกรธนั่นก็คือไอ้ตัวปริยัติไอ้ตัวท่องนั่นเองขับไปไล่ขับไปไล่ไอ้ตัวโกรธโกรธไม่โกรธทุกไม่ทุกนทีนี้ตัวที่หลวงพ่อกำกัเขยพูดจริงๆเนั้นใจท่านสัมผัสแล้วท่านเฉยอยู่แล้วแต่ว่าท่านพูดให้ฟังไงเนี่ย พูดให้ฟังก็คือมาชนะด้วยเลขก็เอาเด้กคนวิปัสชนามาเข้าไปดูเฉยๆมันไม่ดับเนี่ะความคิดไม่ดับความทุกข์ไม่ดับเนะใจตัวตนออกจากเอาตัวตนออกจากทุกข์ไม่ได้ท่านก็เอาทุกข์ไม่ทุกข์เลยนะเอาคําพูดเอาคําบริกรรมไปไล่อีกทีหนึ่งโอ้ชนะด้วยเลขชนะด้วยคนไม่บนก็เอาคาถาถูกแล้วเอที่ถูกแล้วคนที่คนที่มีสติปัญญาก็ตัวรู้ตัวเดียวอตัวรู้ก็ตัวสติตัวสัพพัญญาเข้าไปรู้ รู้กายเคลื่อนไหวอรู้ใจนึกคิดน่รู้ซื่อชือรู้เฉยๆนั่นแหละตัวเนี้เขาเรียกตัวโพธิตัวโพธิเขาเรียกวตัวตัสะรูุ้โพธิตัศรู้คำเดียวกันคือรู้อย่างแจแจ้งแดงแก่รู้อารมณ์รู้ตรงๆรู้สื่อชื่อรู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้จริงอย่างที่มันเป็นจริงอย่างนั้มันจริงยังไงมันจริงไม่เที่ยงมันจริงเป็นทุกข์ทนยากทุกข์กดถูกบีบมันจริงแบบแปรปวนไม่ควรตามเห็ุนับไปตัวตนมันจริงของมันอย่างนั้นสิเนี่ยรู้จริงตามที่มันจริงก็ปปล่่ออออยยยมมมััันนนจริงงงา้ไไตดถื ไม่ต้องไปอยากมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปอยากมันเป็นอย่างนี้ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมานั่นก็คือตัวตัณหาเกิดขึ้นแล้วเหตุที่เกิดทุกซ้อนขึ้นมาแล้วห็นไหไม่ต้องอยากมันเหตุนี้ก็เห็นตามพระดิเนี่ยก็ถอยถ้ามันไม่หยุดก็ถอยมาทำความรู้สึกตัวเนี่ยกลับมาอยู่นี่ฐานกายเอาจับจระเข้เอามาผูกเสาอ่จับเลี้ยงาผูกเสาจับหมาบ้านมาผูกเสาจับนกอาผูกเสาจับพวก สัตว์ต้งหกตัวสัตว์สัตว์ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเนี่ยจับมาผูกที่เสาเอ้เสาก็คือกไก่เองนีน่มันบินปึ๊บไปไม่ได้หยุดบินจะเข่จะลงน้ํานกจะขึ้นฟ้าหมาป่าจะเข้าป่าหมาบ้านจะเข้าบ้านเนี่ยมูก็จะเข้านั่นเข้าป่าเรื่อยไปเลีงก็จะขึ้นตบนไม้จะเล่ยกัจะลงน้ำํำเนี่ยมันดึงดึงที่มันไปไม่ได้นะก็มันไปไปหยู่กับหยุดนิ่งนิ่งเลยอันนี้ก็เหมือนกัน เราเอาเอาเอ า, เอ า, เอาจิตเนี่ยมาผูกกายไว้กายเคลื่อนไหวก็รู้กายนิ่งก็รู้เนี่ยกายกายคือมือคือเท้าเนี่ยเดินตรงกลมเนี่ยกายคือลมหายใจเนี่ยรูปเนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจิตท่านละเอียดท่านก็เอาจั บ, เ อ, จบเอาจับที่ลมลมหายใจเข้าหายใจออกมันเกิดจับให้เห็นถนัดที่ยึบอยู่นะเบาแต่พวกเรานี่จะไปติดติดสงบติดนิมิตอะไรขึ้นมาหลับตาขึ้นมาภาพนีม้มันจะเกิดขึ้นในใจเนี่ยพรงโอเทียจะให้ใช้วิธีการยกมือ ยกเท้าเนี่ยเท้าที่นี Becca ่เอาตัวหนักหน่วงเนี่ยทําไปลมหายใจเข้าก็คือกายคือรูปรูปอละเอียดเนี่ยหายใจเข้าปั๊บตายหายใจออกตายตายคือดับนั่นเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่เห็นอยู่เนี่ยเกิดดับระหว่างช่วงที่เกิดดับแล้วก็มีความว่างอยู่คือไม่เกิดไม่ดับเน่ยว่างจากเกิดว่างจากดับอยู่เนียว่างจากหายใจเข้าว่างจากหายใจออกเนี่ยเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างอยู่ยังไง อะไรมันเกิดดับก็รูกลมนามกายกับใจนะเกิดดับเกิดดับไป่านะีไอ้ว่างไม่มีเกิดไม่มีดับเนี่ยก็คือ น, นิพพานะว่างเปล่าว่างจากโรคว่างจากโกรธว่างจากหลงทีนี้มันเกิดสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับต้อ ง, ต, องต้องดับธรรมดาอันนี้เจ้าต่งสังขาราสังขารทั้งหลายมีมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอ่าอุปา อ, อ, อุปาทวะตยมเยธารมนกเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปอุปชิตตวันิรุชติเกิดย่อมดับเนี เตสังุปเสโมโสโข เ, เข้าไปสงบระงับการเกิดการปรุงแต่งเฉยๆย่อไมไป็สุขอยัมยิ่งอันนี้ก็เหมือนกันเรามาระ ง, งับจิตปรุงแต่งอ่งพอเห็นอารมณ์กระทบปับ๊บ เ, เสียงจริงหลีบกระทบหูเนี่ยเฉยอะไม่ว่าจะเสียงดังเสียงร้อนเสียงเรียนเสียงอะไรหน้าฟังอร่อยไม่จะพูดไม่ปรุงใช่ไหมรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆนี่หมดปัญหาหมดทุกข์เลยหมดทุกข์เหมือนก็เหมือนก็หมดกัดอหรือยุงกัดนี่เนี่ยแป๊บกายมันเจ็บเนี่ย เจ็บแต่กายใจไม่เจ็บทุกข์แต่กายจะไม่ทุกข์ลำบากแต่กายใจไม่ระบากเดือดร้อนแต่กายใจไม่เดือดร้อนนั่นแหละจิตเข้าถึงพระนิพพานแล้วจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นหรือหรือยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะไม่ดีก่อนไม่รู้เลยเข้าใจไหมเข้าถึงสภาวะที่ว่างทุกข์แล้วพระนิพพานคือสภาวะที่ว่างจากทุกข์ว่างจากจิตนึกคิดปุ๊แต่งว่างจากสุขว่างจากทุกข์ว่างจากกินดีว่างจากกินร้ายสุขก็รู้อยู่ทุกข์ก็รู้อยู่นะแต่ว่าใจไม่ ไม่เฮ่อไม่หลงตามสุขะอไม่ไม่ดีใจตามสุขทุกข์ก็รู้อยู่ไม่เสียใจตามทุกข์นั่นแหละเขาเรกละความพอใจและไม่พอใจเสียได้ละไอ้ตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยเขาไปรู้เขาไปเห็นจริงอย่างที่มันเป็นจริงอย่างนั่นแหละเขาเรียกว่ามันก็วางไหเนี่ะเห็นอาจารย์ก็เฉยเห็นทุกขังก็เฉยเห็นอนัตตาแปลปวนไม่เป็นไปตามใจปรารถนาบังคับไปแหละ ว, ว่าไม่ฟังก็เฉยไงเนี่ยไอ้ตัวนี่เนี่ยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเข้าใจ ตาเห็นรูปตากระทบรูปเนะ่ยรูปกระทบตาสวยขี้เละขนาดกรเฉยนะ่ะพ้นทุกข์ละพ้นทุกข์ในการเห็นทางตาเสียงจงิ้งหรีดเสียงดาเสียงสวดมนกระทบหูไพระไม่ไพร่เฉยนี่ชนะทุกข์ในการฟังเสียงกินเหม็นกินหอมอุจจาระปัสสาวะน้ำหอมกวดละแสนกว่าบาทนะ่ขี้ไม่มีใครซื้อเลย ตัวกินก็เฉยนั่นแหละพ้นทุกในการดมกินริมรสอาหารอร่อยก็เฉยไม่อร่อยก็เฉยกินหนักก็กินกินไม่หนัก็ไม่กินเฉยอร่อยก็เฉยไม่อร่อยก็เฉยนั่นแหละชนะทุกในเรื่องการกินกสัมผัสทางกายเย็นน้อนแข็งนุ่มนิ่มหยาบไม่ได้เลยมาสัมผัสทางกายแล้วกันนุ่มนิ่มชวนสัมผัสอย่ก็เฉยใจก็เฉยอยู่รู้ันรู้ว่ดี รู้วันนี้มนวนชวนสัมผสัสก็เฉย อ, อยู่เด้รูปว่าหยาบแสบเผ็ดก็เฉย อ, อยู่เลร้อนจัดหนาวจัดเลยก็เฉย อ, อยู่นี่แหละชนะทุกในการสัมผสัสใจรู้อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ไ ด, ด, ด, ด, ด้คิดดีคิดชั่วคิดทิดคิดถูกคิดอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นมโนภาพมโนภาพของรูปมโนภาพของเสียงมโนภาพของกลิ่นมโนภาพของรสมโนภาพของสัมผสัสเข้าไปอยู่ในใจน่ะทีนี้มันทำอารมณ์เขาเรียกว่าทำอารมณ์ที่อยากจะรู้ทำอารมณ์ ไอ้ลูกตรงนี้ยอมลงคิดถึงบ้านคิดถึงพครก็ะแด่เอาเงินท่อนไว้ตรงไหนเอาส้อยสะข้อข้อมืออะไรซ่อนไตรถถงไหนหรือว่าลูกอยู่ยังไงอพ่อบ้านอยู่ยังไงอะไรก็ะแด่พ่อแม่อยู่ยังไงนึกนั่นแหละนึกคิดอนู่นะตอนนั้นก็เรียกผางธร ม, มาลมถ้าถ้าจํามาดี เวทน า, าเป็นสุขมันก็จะมันก็จะคิดในเรื่องดีถ้าเวทนามันจามเรื่องไม่ดีมาแล้วก็เวทนาเป็นทุกข์มันก็จะคิดในเรื่องที่ไม่ดีสัญญาเรื่เวทนามันจะปรุงแต่งความคิดขึ้นมาปรุงแต่งทำอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็รู้เนี่ยอารมณ์ดีก็เฉยอารมณ์ชั่วก็เฉยอารมณ์สุขก็เฉยเราทุกข์ก็เฉยนั่นแหละพ้นทุกข์พ้นทุกข์ทางใจอ่าตีตาหูจับุกริน้นกายเนี่ยมันเป็นสื่อที่จะเข้าไปให้ใจรู้เลยนะให้ใจรู้ทีเมื่รู้แล้วก็ทีนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวรู้เนี่ยจิต วิจิตพิสดารอย่างยิ่ง่ะตัวรู้จิตใจนะทา่านรู้ตัวท่านรู้นี่แหละตัวเป็นท่านโง่ท่านหลงอยู่ในนี้เสรีรบลอยเลยนะรู้นึกกระติรู้เอาตัวรู้มาเป็นตัวตนวิญญาณังอานิจังวิญญาณังอนาจารวิญญาณก็คือท่านรู้คือจิตคือใจนะคือสติสัพพัญญานี่แหละความรู้สึกตัวทั่วพร้อมต่างๆนี่ยคือท่านรู้นี่แหละนัะ่นเสร็แล้วไม่สิทธิ์มันว่าเอาท่านรู้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเอาใจเป็นเรา อความรู้สึกเป็นเราเนช่ไหมตัวเนี้ยก็เรียกว่าจังเพราะว่ากายเนี่ยมันไม่ถึงธรรมะมันเข้าไปถึงพันิพาหรอกแต่ใจมันเข้าถึงใช่ไหมเพระนั้นจึงจึงจึงจึงมาดูใจจึงมาฝึกที่จิตใจเนี่ยให้มันเกาะที่กายพอมันเกาะปั๊บกกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกในความรู้สึกนั้นไม่มีตัวโรคตัวโกรธตัวหลงตัวรักตัวชันยินดีอะไรไม่มีผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสมมุติจุดไหนนั่นเลยน่ะ รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าไม่มีอ่ะเจ๊กับเจแล้วมาเผอไปใช่ไหมไอ้รู้แค่นี้เรามันจะได้อะไรเน่ะน่นแหะไอ้ตัวอยากตัวโง่มันออกแสดงได้ตอกมาแล้วนะโรคเพรกะเขาเขียนพูดโกรธก็คือตัวโง่โรคก็คือตัวโง่หลงก็คือตัวโง่อิจฉาก็คือตัวโง่เนี่ยนะหัวเราะก็ตัวโง่ร้องไห้ก็ดีใจก็ตัวโง่เสียใจก็ตัวโง่นั่นแหละตัวโง่มันปุงว่คือตัวอวิชานั่นเองตัวอวิชาตัวโมหะตัวหลงนั่นเองแต่มันปรุงขึ้นมานั่นแหละ ตัวรู้แบบหลงอ่ะเอาหลงเอาความรู้หลงๆมาเป็นตัวตน่ะึ่งหลงเอาความรู้มาเป็นตัวตนตัวนั้นแหละก่อเหตุให้เกิดทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยทีนี้จิตซื่อๆเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่มีดีใจเกิดในใจไม่มีเสียใจเกิดขึ้นในใจไม่มีรักเกิดขึ้นในใจไม่มีชังเกิดขึ้นในใจไม่มีหัวเราะเกิดขึ้นในใจไม่มีร้องไห้เกิดขึ้นในใจไม่มีความชอบความชังเกิดขึ้นในใจแล้วมันเฉยอยู่เนี่ยคือเไม่มีอะไรเกิดนะความเกิดเป็นทุกข์ทิ้งได้เกิดนะ สิ่งนั้นต้องดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเขาเรียกว่าทุกขนะ์เนี่ยทีนี้ใจดะซื่อเฉยไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นเลยเนี่ยสิ้นชาติแล้วชาติสิ้นแล้วแต่ร่างกายจิตใจยังอยู่ยังไม่ตายเลยพระเจ้าชาติสิ้นแล้วอนะชาติกิเลส ช, ชาติงโง่มันสิ้นแล้วมันไม่เกิดในใจแล้วชาติปรุงแต่งนะมันไม่เกิดในใจแล้วะท่านก็อายุสาสิบห้าปีสำเร็จเป็นพระพุทธเจา้ายังสอนพวกเราอยู่ตั้งประชาชนจนสี่สิบห้าปีมนะ ถึงถึงปารีนิพานดับรอบเลยทีนี้ตอนตอนที่อายุสาสิ้าปีเขาเรียกกิเลสนิพานไอ้ตัวโง่ตัวหลงมันดับมันไม่เกิดเลยน่ะมาแล้วแต่ว่าขันขันห้ายังอยู่พออายุแปดสิบกับขันท์ปริสิพานขันห้าด้วยดับไปด้วยตัวกิเลสดับไปก็ตัวโง่ตัวหลงดับไปแล้วตัวทุกข์ดับไปแล้วนี่ขันห้าดับตามเขาเรียกปารีนิพาน น, นี่พระเจ้า ยังอยู่เนี่ยไม่ตายไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายที่พูดตามสมุดนะอยู่อยู่ยังไงถ้าต <old> ัวรู้ของเราเนี่ยจิตใจตัวรู้ถ้ารู้ของเราเนี่ยไม่ทุกโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเข้าถึงพระเจ้าแล้วอ่าไม่ทุกเราไม่แกล้งใครให้ทุกเนม่อไม่ฉาใครเน่ยตัวตัวตัวรู้จิตใจตัวเราเนี่ยตัวสติตัวสัพพัญญาเนี่ยถ้ารู้ตัวเนี่ยไม่ทุกโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเข้าถึงพระเจ้าเข้าถึงพระเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระอรหันต์แล้วแต่ว่าพวกเราจะเข้าถึงในช่วขณะ หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนี่เลก็เรียกว่าตัทั้งเขาไมุตุจิตมาดูดพ้นชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเฉยมันยังไม่ตลอดมันยังไม่เด็ดขาดยางพรดอาหาถ้าเด็ดขาดแล้วอย่างพระโดาส ก, กิทาคาอนาคามมนี่นี่ก็เด็ดขาดเหมือนกันแต่เด็ดขาดไม่ร้อยเปอร์เซ็นเด็ดขาดได้หกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นขึ้นไปพระอนาคาเมดับได้เก้าสิแปดเปอร์เซ็นหลืออีกสองเปอร์เซ็นหรืออะไรหนึ่งเขาเรียกเหลือตัว อ่าเขาเรียกว่าอ่าสังโยุตมีอะไรสังยุตอะสังยุตสิบตัวสุดท้ายก็มีมานะอุทะจะอวิชามานะอวิอุจะจะกุ้งชั่นในเรื่องดีไม่ใช่ฟุก์ชันในเรื่องชั่วนะสภานักข่าวมีฟุกงชั่นในเรื่องดีแล้วก็มานะทิฏฐิก็จะโอ้การดับราคะดับความกำหนัดดับโทสะนี่ดีจริงน้องนั่นเนี่ย ไประยึดเอาตัวดีจริงหนอนเป็นตัวตนอยู่หน่อยหนึ่งเข้าใจไหมยังยังมีตัวตนอยู่นิดหนึ่งประมาณสเปร์เซ็นยังไม่หมดเถอะยังมีตัวตนยังมีอัตราตัวตนเหลืออยู่หน่อยหนึ่งอ่าหรือยังยังมีทิฏฐิมรณะทิฏฐิฟุ้งซ่านในเรื่องดีอยู่หน่อย น, นิดหนึ่งเรื่องดีก็อย่าก็ต้องปล่อยวางต้องไปยึดเอามาเป็นตัวเป็นตในในนิพพานกนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการบรรลุนิพพานมีการสําเร็จมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นผู้สําเร็จมรรคผลนิพพาน สิ่งที่สําเร็จในผพานนั่นคืออะไรคือสภาวาธรรมคือท่านรู้เขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกตัวปัญญาคือตัวสติสปัญญาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากใจน่ะเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดเกิดกับจิตถ้าหากว่าความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นจิตมือตัวรู้ตัวนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอวิชชาอาวิชชาสังขารตัวโง่มันปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้ตัวโง่ปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้ตัว ตัวปัญญาเจตสิกเนี่ยเขาเรีกสติปัญญาตัวรุดพ้นตั ว, ต, วตัวปัญญาที่บริสุทธิ์มันปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ว่าเป็นเป็นสําเร็จมาผลที่ผ่านแล้วคือทารู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละคือคือตัวปัญญาเนี่ยเข้าไปไปไ ป, ไปกระทบความว่างจากทุกข์ว่างจากกิเลสว่างจากสัญหาคือผลิพานค่ะเพราะมันไม่มีเนี่ยนะก่อนจะโกรธมันก็ไม่โกรธโกรธแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปน่ะไปหาความไม่มีโกรธใช่ไหมหัวเราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไป ก็ไปหาความไม่มีหอเราะเี่ยร้องไห้เกิดขึ้นตั้งอยูดไปมันก็ไม่มีเนร้องไห้ก็ไม่มีเสียใจก็ไม่มีไอ้ความไม่มีความที่พูดทางลบนะก็มีมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความไม่หลงมีอยู่เป็นอนันตการเลยใช่ไหแต่ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นว๊อบว๊อบแบบแบบนี้เฉยเพวกเราโง่ก็ไปยึดเอาหมดเลยยึดเอาเสร็จแล้วพอมันดับไปแล้วนึกขึ้นได้ก็ไปเอาอีกจํามานอีกเลยเอาความจําความโลภความโกรธความหลงทำอารมณ์นั้นมาเป็นตัวเป็นตนอีกเลยใช่ไหมเนเกิดนัลน นี่ยเขาเลยเกิดพบเกิดชาติอยู่เนี่ยไม่สิ้นสุดเบียนว่ายแต่เกิดอยู่เนี่ยเบียนว่ายแต่เกิดอยู่ในใจอหลังจากตายแล้วก็เกิดอีกเกิดเป็นคนตายไงไม่จบสักทีอะถ้าเกิดอีกเนี่ยทําบุญก็ไปดีไปเกิดดีทําชั่วก็เกิดบาปเนี่ยทีนี้ผู้สิ้นเกิดก็ไม่เกิดอีกแล้วคือพระอรหันนั่นไม่เกิดอีกละไม่เกิดไม่มีการเกิดต่อไปเลยเกิดดีก็ไม่เกิดเกิดชั่วก็ไม่เกิดเกิดตัวตนก็ไม่เกิด เกิดกิเลสก็ไม่เกิดนะไม่มีอะไรเกิดเลยเพราะไม่มีตัวตนอจะเกิดเลยนะไมีแต่มีแจกรูปนามนะรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนะเกิดรูปนามนามที่บริสุทธิ์ก็คือตัวปัญญานั่นเองไม่มีเกิดไม่มีตัวโง่ตัวโลภตัวโกรธตัวลงเขาเข้ามาเกิดอีกหลังมีแต่สติเข้าไปคุมอยู่เนยรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคุมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตายตายก็ไม่มีตัวตนตายนะ มีแต่รูปนามตายกายกับใจตายท่านดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟเกิดขึ้นต้องอยู่จะไปท่านทั้งหเกิดขึ้นต้องอยู่ต่อไปท่านดินของแข็งท่านน้ําของเหลวท่านลมพัดไปพัดมาท่านไฟความร้อนอากาศจะท่านคือความว่างแล้วก็วิญญาณท่านท่านทั้งหมันก็แตกสลายไปเฉยๆไม่มีคนตายอยู่นั้นพระเจ้าท่านบอกว่าเราบัญญัติว่ามีคนเกิด ตัวตนคนเกิดตัวตนคนแก่ตัวตนคนเก็บตัวตนคนตายเฉพาะคนที่ยังมีอุปทานยังมีตัวโง่นะความหลงยึดมั่นมาเป็นตัวตนแ่หนึ่แต่สำหรับพระอหันต์พระองค์ไม่ไม่บัญญัติเลยไม่มีตัวตนอยู่นั่นเลยนะผู้เจ้าไม่มีเลยสัอุปทานนั้นสักขวาหังอุปติังปัญญเปรมิงานภาษาบาลีเขาว่าอย่างนี้เราจะถาคตบัญญัติ ว่ามีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเฉพาะคนที่ยั ง, งโง่ยังมีอุปทานเท่านั้นแต่คนหายงโง่หายอุปทานแล้วไม่มีอุปทานอล้วยังพาัดรหันเนี่ยไม่บัญยายนแล้วท่านไม่บัญญัติวัานี้คือสัตว์บุคคลตัวตเราเขาแล้วสัตว์บุคคลตัวตนเราขาพูดตามสมมติเฉยๆทีนี้ให้เราสอนตัวเองเนีไยเราไม่สอนตัวเองสักทีเลยะจะสอนจากคนอื่นจะคุยจากคนอื่นเนยตัวงโง่ตัวหลงพาคูดพาคุยไปหมดเลยเวลาเห็นคนเดินมาเนี่ย อย่าไปว่าผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนสาวก็เท่าคนเดืยดอย่าไปว่าแม่เพียน่ะแม่เพียนแม่แล้วแม่สุขแม่ทุกข์กันเลยอย่าไปว่าหมูย่าหมาอย่าไปว่าเนนดกเนี่ยรูปน้ำนี่ยเขาเรียกมีรูปน้ำเป็นอารมณ์เข้าใจไหอรูปน้ำมดก็รูปน้านกก็รูปน้ำเล้งก็รูปน้ำหมาก็รูปน้าพระก็รูปน้ําเนนก็รูปน้ำโอ้รูปน้ำเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเห็นไหมเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีรูปน้ำเป็นอารมณ์เนี่ะ นี่ลลว่าเทียนว่าถ้ามีรูปนามเป็นอารมณ์ได้ขั้นต้นของพนันธิผ่านแล้วขั้นต้นแห่งความปล่อยวางขั้นขั้นต้นแห่งความไม่ปรุงแต่งอจิตไม่ปรุงแต่งเหรอใช่ไหมขั้นต้นอ้อรูปนามรูปนามรูปนามทีนี้เราไม่เคยสอนตัวเองเลยเผลอสุทีไปไหนมาคนนั้นไปไหนมาชื่ออะไรไปถามไปสมมุติออะวันนี้สบายใจดีไหมถามไปถามความสุขติดสุขหรือเปล่าเนี่ยะเป็นยังไงวันนี้ ทุล <necessary. S 2> ักอะไรถามผมไปไปสมมุต so, no, ิหมดเลยไปกับความหลงหมดเลยนี่เราต้องถามใหม่ว่ารูปนามทีนี้มันมีเหตุจําเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งล้วก็พูดตามสมมุติอ๋อนี่พูดตามสมมตินะเราก็รู้ว่านี่สมมตินะสมมติเราคนถัดตัวคนตัวตัวเขานี้สมมติพระอสมมุติพระก็เราก็สมมุติว่าตัวเราเป็นโยมก็ยกมือไหว้ขึ้นเคารมขอถามหน่อยเพราะคุณเจ้าอะไรนะว่าไปตามนี่นี่หลวงปูเทียน ท่านบอกว่าท่านบวชมามาสอนคนเนี่ยท่านไม่ตั้งตัวเป็นอคูบาอาจารย์ใครพวกคนเป็นเพื่อนเหือก <Seriously. S 2> ันเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเพื่อนทุกข์เพื่อนสหธรรมิกเหมือนกันเป็นเพื่อนนะเป็นอันเดียวกันทั้งวันแต่เพื่อนก็เตือนเพื่อนเนี่ยอเป็นกัลยาณมิตรเตือนให้เพื่อนออกจากทุกข์เตือนให้เพื่อนทําความเทีย์ทั้งวันนี้่ะท่านไม่ตั้งตัวตนเป็นเป็นตัวตนฝ่ายดีฝ่ายครูบาอาจารย์เป็นตัวตนขึ้นมานั่นไม่ได้นบอกว่าเป็นสหธรรมิกเป็นเพื่อนกัน ่ะเป็นอันเดียวกันมวะไะเนี่ยนหะเป็นอันเดียวกันทุกคนทุกวันเนี้เราไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหมดเลยเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดมาต้องแก่เหมือนกันต้องเก็บเหมือนกันต้องตายเหมือนกันสามัคคีกันเกิดสามัคคีกันแก่สามัคคีกันเก็บสามัคคีกันตายสามัคคีกันเกิดขึ้นสามัคคีกันตั้งอยู่สามัคคีกันตัดไปเน่ยอันเดียวกันเนี่ยนะกีเรย์ไมนยังสามัคคีกันเลยความหลงสามัคคีกับความโลภสามัคคีกับความโกรธเนี่ยสามัคคีกับความพุกเนี่ย มันไปด้วยกันนะใช่ไหมทีนี้มันก็สามัคคีกันแต่ว่าสามัคคีไฟชั่วไฟบาปเนียทีนี้สามัคคีไฟเพราะทุกข์ก็คืออะไรมรรคสามัคคีมีองแปดยังไงแปดรวมหนึ่งเอ็ดอิวันทีอินวันโฟินอห้าเป็นหนึ่งอ่ะหกเป็นหนึ่งเจ็ดเป็นหนึ่งแปดเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งนี่นี่แหละรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันรวมเป็นอันเดียวกันคืออะไรรู้ทุกข์ได้กระดับทุกข์กันเน่ย ไม่ทุกเว้ยรวมหนึ่งเลยเนี่ยนะเห็นทุกถูกความพ้นทุกน้ำดีถูกถูกความพ้นทุกพูดจาถูกพูดพูดถูกความพ้นทุกทําการงานถูกถูกความพ้นทุกเนี่ยทําความเพียรถูกเลี้ยงชีวิตถูกอถูกความพ้นทุกทําความเพียรถูกถูกความพ้นทุกสติถูกเนี่ยสติชอบสติถูกถูกความพ้นทุกสมาธิถูกถูกความพ้นทุกเนี่ยใช่ไหมอันเดียวกันใช่ไหมรวมเป็นหนึ่งเลยทีเนี่ยจุดหมายปลายทาง หลวงพอฟังเทศคนนี่นะดับคําเดียวเลยคําพูดที่เขาพูดมาให้เราเข้าใจว่ารู้ทุกได้กระดับทุกเลยนะพูดอย่างไรช่างไม่สนใจเลยนะเอาแล้อแล้วก็ ล, วกลงมือทำเลยนะกาทําก็ยกมือส่างจังหวะพร้อมไปเลยในการฟังเลยเอาแค่นี้เนี่ยไม่ไม่เอาความหมายมากเลยเอาความหมายว่าทุกและระดับทุกเลยหลวงพ่อเขียนก็เหมือนกันก็พูดอคําพูดทุกสิ่งการกระทําทุกอย่างแต่คิดจะพูดจะทําอะไระแสดงออกมาก็เพื่อ รู้ทุกได้ดับทุกเดนนั้นเอาตัวเดียวนะเอาทั้งความคิดคําพูดและการกระทาให้มันสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือพ้นทุกคือไม่ทุกนั่นเองขั้นสอนอย่างนี้เราก็ไม่ฟังไม่เข้าใจฟังไม่ใจวิธีทับ ท, ทุกทํำยังไงน่นก็คือมีสติรู้สึกตัวซื่อๆเฉยๆเปล่าๆทีนี้ทําตลอดวันทีนี้เรายกมือนี่ เดินโยงกลมเนี่ยมันเป็นฝึกเฉยฝึกสิบสี่ท่าฝึกสองท่าอย่างแต่นี้ท่าอื่นมันเยอะแยะไปช่เน่ยท่าหายใจเข้าท่าหายใจออกท่ากระพริบตาอาปากท่าเคี้ยวท่าอะไรท่าถูตั้งหน้าแปรงฟันอ่ะถูบ้านอะไรซ้ำน้ําพริกการพักเ น, นี่ยมันมีต้องหมื่นแสนท่าจะไม่เอาไปใช้เองการไมไปเคลื่อนไหวไม่เอาไปใช้เองเยว่ายากสอนอยากเพิ่สติใช่เนี่ยเพิ่สติเพิ่มปัญญาเพิ่การกระทํา อันนีก็เพาะก็คือหลงหลงก็คือโง่ดิอีกอย่งกอดทุกต่อไปจะไม่หลงเลยเวลาทาอะไรให้มีสติมีสติพูดก็มีสติคิดก็มีสติทํากายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวมีสติรู้สึกตัวใจเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปคิดนึกเคลื่อนไหวไปคิดอะไรทีนี้มันมันนื่งอยู่มันไม่เคลื่อนไหวมันว่างจากการเคลื่อนไหวก็คือก็รู้อยู่เนี่ยก็คือมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรไม่ยินดีไม่ยินไล่อะไรไม่รักไม่ฉังมันไม่ปรุงไม่แต่งมันเฉยอยู่ Evet, ไม่มีอะไรมาเกิดในใจไม่มีชาติทุกชาติดีใจชาติเสียใจชาติรักชาติชังชาติกิเลสมาเกิดในใจไม่มีอสิ้นแล้วอ่นี่ Zelda s <S เราฟังอยู่นี่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่คิดไม่นึกเฉยๆยู่นี่ก็เราสิ้นชาติแล hey ้วะสิ uh. ้นชาติกิเลสมาเกิดในใจหนึ่งนาทีสองนาทีก็ดีแล้วนี่ได้ชิมรสพานิพานชิมวรสซื่อๆรสเฉยๆรสเป่า้ยๆรสเบาๆรสสบายเบาคือไม่หนักหนักคือทุกเบาก็คือไม่ทุกสบายก็คือไม่ทุก สบายใจเบาใจไม่ทุกข์ถ้าหนักใจก็ทุกข์ลำบากใจก็ทุกข์เลยฟังแล้อันนี้เข้าไปรู้ด้วยตนเองเลยนะไม่ใช่รู้เลยบอกให้รู้แต่เมื่อรู้ต้องรู้เองเนี่ยต้องรู้เองไม่ใช่ว่ากินข้าวอิ่มแล้วต้องมาถามหลวงพ่อเลยว่าฉันกินข้าวอิ่มหรือยังอ่ไม่อิ่มเองมันก็รู้เองใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะใจมันปล่อยวางมันก็รู้มันเองไม่ติดน่เขาด่าไม่โกรธเนี่ยได้ไหมไม่ติดละไม่ติดตัวนินทาตัวดา่า ตัวบุ้งลายเห็นเลเขาสรรเสริญไม่ติดเชยอยู่นห็น่ลยนัน่นนั่นแหละก็ ร, ะรู้แล้วไม่ติดดีนะชนะดีแล้ละละชั่วด้วยกายวาจาใจทําดีด้วยกายวิจาใจชําระจิตให้บริสุทธิ์คือจิตไม่ติดดีนั่นเองนั่นนหะไม่ติดในความดีที่ทําแต่ต้องทํานะบรรนสําเร็จอรหันก็จึงอยู่ในลักษณะสาประการละชั่วด้วยกายวาจาใจความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นที่กายวิจาใจเลยทีนี้ทําดีด้วยกายวิจาใจแต่ไม่ติดดีใจบริสุทธิ์เห็นไหม ไม่ติดในยดีดต้องทําพันธุาหารต้องทําทําดีอยู่ทําคุณประโยชน์อยู่เมตตาสั่งสอนคนอื่นอยู่นาเดินไปสอนคนอื่นอยู่นั่นอยู่ต้องทําอยู่ที่นี่นั่นไม่ตาแต่ไม่ติดในความดีนั่นมันเจ็บปวดเมื่อยอะไรจะไปสอนเขาก็ไม่ติดไม่ติดในความเมื่อยไม่ติดในความทุกข์ทางกายทุกแต่กายใจไม่ทุกเนยใช่ไหมระบากแต่กายใจไม่ระบากก็เริ่มคิดพูดทําอะไรด้วยความไม่ทุกข์ที่นั่น จะสอนก็ไม่ทุกจะไม่สอนก็ไม่ทุกเลยนะแก่ไม่ทุกเจ็บไม่ทุกตายไม่ทุกทำหน้าที่การงานไม่ทุกสอนผู้อื่นไม่ทุกนี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระอรหันต์หน้าที่ของคนชาวพุทธผู้ที่จิตใจรู้ตื่นเบิกบานแล้วผู้ที่ตัดสั้นแล้วผู้ที่ออกจากกิเลสแล้วออกจากทุกออกจากโอเนี่เป็นหน้าที่ต้องทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่พูดให้คนพ้นทุกหน้าที่คิดให้คนพ้นทุกหน้าที่ทำให้คนพ้นทุกเนี่ย แล e ้วกับผู้ที่ทําหน้าที่ก็ไม่ทุกข์ด้วยผู้ที่ทําหน้าที่ก็ไม่ใช่ตัวใช้ตนเสียก็เป็นลูกกำนามที่บริสุทธิ์เอียรูปกกำนามรูกทำน้ำทำที่บริสุทธิ์ที่ไม่ไม่มีทุกข์เกี่ยวบนนี่เองไม่ใช่ตัวกูตัวมึงตัวใครที่ไหนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนธรรมะสอนธรรมะอย่างกินข้าวกินธรรมะธรรมะกินธรรมะธรรมะรูปธรรมนามกินธรรมะอาหารอย่างเนี่ยอร่อยก็ธรรมะไม่อร่อยก็ธรรมะางเนี่ยทีนี้ ถ้าอร่อยดีใจไม่อร่อยเสียใจนะทํามาโง่ทามาบาปเนี่ยถ้าอร่อยก็เฉยไม่อร่อยก็เฉยนี่ไปทํา ร, รมะฝ่ายทุกข์เนี่ยธรรมะฝ่ายดีเราจะเอาอะไรก็รู้ที่เอง ร, รู้ตัวเองอย่าให้คนอื่นมาสอนอให้ผ ม, มบอกเลยเราต้องสอนตัวเองต้องบอกตัวเองต้องเตือนตัวเองนี่แหละกเกษตรฟังฟังตัวเองเทศมัง่งนะฟังกิเลสมันเทศหรือว่าฟังสติปัญญามันเทศถ้าสติปัญญามันเทศมันก็จิตใจปร่งโลกเบาสบายไม่ทุกข์โดยประการทั้งปวง ถ้กิเลสประเทศกัดรักชังดีใจเสีย ใ, ใจทุกข์อยู่นะกิเลสประเทศแล้วฟังตัวเองเทศสัมปองฟังแต่คนอื่นเทศใช่ไไม่ฟังรูปนามมันเทศมั่งฟังเทศให้ฟังให้เป็นดูรู้อ่านทีนี้เราพูดตามเสมอให้ดูตัวเองให้ฟังตัวเองให้อ่านตัวเองเนี่ยนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติธรรมะรู้ธรรมะถ้าธรรมชาติมันเกิดดินน้ํำลมไฟอาการธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณธาตุไปรู้มันจะมีความหมายอะไร พระอาทิตย์มีก็ไม่มีไม่มีความหมายมีเท่ากับไม่มีโลกมีก็เท่ากับไม่มีไม่มีความหมายอะไรนะต่อไม่มีทตารู้เนี่ยนีะยพราะทารู้มันโง่ปกติราคาราคาคือราคาคือความกําหนัดนั่นเองวิราคาละออกเสียละความกําหนัดออกเสียใค้เนี่ราคาเน่ะที่ของแพงๆน่ะราคาแสนหนึ่งเงิะน่ะนั่นแหละตัวกี่ตัวราคาแพงเหลือเกินเลยวิราคาไม่ซื้อเลยเห็นก็เฉยไม่ต้องการวิราคาเดี่ยไม่มีราคา สิ้นหมดราคาจบราคาวิ ร, ร, ราคาราคาคืตัวตัว ก, า ก, วววากําหนดตัวอยากได้ตัวตัวโลภนั่นเองนนี้ถ้าวิราคาไม่มีโลภไม่มีกฎไม่เป็นลไม่มีตัวอยากได้ก็พ้นทุกข์นะราคาโทสะโมหะความสิ้นไปแห่งราคาโทสะโมหะคือพระนิพพานแต่ว่าศาสนาพุทธบางทีกายสอนไอ้ธรรมะพระนิพพานมาจากกวานเหมือนกันสวรรค์มาจากกวานที่วิธีจะได้ เออจั ก, กรวาลของพระนิพานต้องทําบุญให้เยอะสละเงินสละทองสละพวกนี้ให้เยอะเอาไปซื้อเอาสินะธรรมะไม่ซื้อรัตทาบูธานี่ผู้ริงพุญชมนาพระนิพานความพ้นทุกได้เปล่าเปล่าไม่ต้องซื้อด้เงินในทองภาษาบาลีรัตทามูธานี่ผูจริงพุญชมนาเขาแปลว่าไงพานิพานความพ้นทุกได้เปล่าเปล่าละความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องทุกใช่ไหมแต่ว่าคนอยากได้กิเลส อยาต้องการอยากฆ่าเขาอย่างนี้นต้องเสียเงินเสียทองไปจ้าคนฆ่าใช่ไหมใช่ไหมตัวกิเลสเนี่ยทาให้เกิดเสียเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียอะไรขึ้นมาสเสียความสุขเสียความสงบขึ้นมาใช่ไหมไอตัวไม่ต้องนี่สไม่ต้องซื้อนี่ใส่เป่าเปล่าฟรีฟีนี่สิตัวนี้แหละเขาจึงให้ว่าให้แล้วให้เป่าเปล่าให้ฟรีฟให้แล้วไม่ต้องยินดีในการให้ไม่ต้องเสียใจในการให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรไม่เอาอะไรเลยนี่ให้เอาความหลุดพ้นตัวเดียวเอาความตัวปลอยสว่างอะไร ไม่เอาอะไรเลยนั่นก็ให้ให้ให้ไปพันธิพานเลยให้เราได้พันธิพาณนะได้ความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากความดีความถูกความทุกข์หลุดพ้นจากเมตตากรุณาไม่ทําเวขาโดดหดเลยอ่าจิตใจเหนืออิสระนั่นแหละให้พันธิพานให้สามารถเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงคือให้พันธิพานให้ความพ้นทุกข์ให้ความพ้นอยากพ้นยึดพ้นยุ่งเลยพ้นโง่พ้นหลงเลยพ้นโลภพ้นโกรธพ้นหลงให้ตัวเนี้ยรับตัวเนี้ยที่เป็นผู้รับ ธรรมะเป็นรับที่ประเสริฐเป็นผู้ให้ธรรมะเป็นผู้ให้ที่ประเสริฐเนี่ยทีนี้คนมีอายุถึงเวลาถึงเวลาไล่นะโอ้โหจบเลยนะอายุคนที่มีอายุเนี่ยเกิดร้อยปีก็ไม่มีอายุต้องมีฉันทะมีวิริยะจิตตะมีมังสาฉันทะวิริยะจิตตะเนี่ยหังได้การออกจากกิเลสออกจากทุกข์นี่จะเขาเรียกคนมีอายุทีนี้คนมีผิวพรรณมันะสวยต้องมีศีลนี่ะไม่ตาไม่ข้าสัตว์ขยันประหยัดทุจริตไม่รับไปโกงใคร ไม่ทําผิดประเวณีทางกามพูดจาสุภาพสื่อสต์ตัดสิ่งเสืติดมึนเมาสินเกี้ยงเลี้ยงบิดามรดาตอบแทนคุณชาระจิตให้บริสุทธิ์ใสนี่ผู้ที่มีบรณฑงามไม่ใช่ใจงามหน้างามบิวตี้ฟูลเฟสอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาต้องบิวตี้ฟูลไม้ใจสวยใจสวยเนี่ยพวกเราแต่งแต่หน้าแต่งตาแต่งแต่เนื้อแต่งแต่ตัวแต่งแตผิวก็ใช่เนี่ยแต่งแต่เปลือกเนี่ยแต่ใจสกปรกหน้าดูเลยไม่สวยเลยทีนี้เรามาเจริญสติกันเลยกับบิวตี้ฟูลไม้ทําใจให้สวยทําใจให้งาม ทำใจให้สะอาดสว่างสงบทําใจให้บริสุทธิ์พ้นทุกข์นี่นี่นี่ก็เรียกว่าผู้มีผิวพรรณสวยงามอ่ทีนี้ต่อมาผู้ที่มีความสุขต้องมีสมาธิชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามจิตสงบนี่นี่นัตจิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งความสงบไม่มีนี่ไม่สุขทีนี้คู่ที่มีโภกทรัพย์นี่อะไรมีเมตตามีการู้หน้ามีบุษรามีบุษขานี่ผู้มีบกษพกทรัพย์เนี่พกทรัพย์ใจเมตตานี่เมตตาเป็นทรัพย์ มีกรุณาช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เป็นทรัพย์มีมุชิตาคนอื่นได้ยดีได้ดีแต่สาธุไม่อิจฉาเขาเนี่ยมีทรัพย์เลยนะมีอุเบกขาวางเฉยเสียไม่ไปแบกกรุณาก็ไปแบกมันไวนะ้อุเบกขาไม่แบกมันไว้ผู้มุชิตาก็ไม่แบกมันไว้คือช่วยแบบไม่แบกนะ่ะไม่ต้องไปแบกบไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปถือช่วยแบบอิสระเสรีภาพเลยนี่ช่วยแบบไม่ติดเนะนี่เขาเรียกว่าผู้มีผู้มีทรัพย์ทีนี้ต่อมาผู้มีกําลังคืออะไร ไม่ใช่กำลังมวยเตะต่อยชคกันอย่างนี้นะไม่ใช่กําลังตัวนี้คือตัวจิตหลุดพ้นจากกิเลสนะเขาด่าก็เชยหลุดแล้วเขาสรรเสริญก็เชยหยุดอ่ะนี่เขาเรียกวิมุตต์ตัวหลุดพ้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวพละกําลังถ้าใครยังอ่าเขาด่าโกรธเนี่ยพวกน <inaudible> ี <illnesses mosquitoes> <language> ้ไม่มีกําลังแล้วแพ้แล้วนะแพ้แล้วเขาสรรเสริญดีใจเนี่ยก็แพ้แล้วสนะนะถูกถูกตัวดีใจถูกตัวสรรเสริญโยก เบี่ยงไปเวี่ยงมาถูกตัวเนีนเท้าเวี่ยงไปเบี่ยงมานี่ยอ่อนแอไม่มีกําลังแล้วเขาจะไม่หลุดพน้นทีนี้ถ้าใจเฉยเห็นเดี๋ยนั่นผู้มีกําลังคือมีวิบวิบวัฒนเป็นกําลังนี่ภาษาพระเจ้าอนะแต่พวกเราไม่เข้าใจเึ้นเลยไมไม่เข้าใจกันโอ้ต้องใหสวยให้ร่าให้รวยให้สวยให้สุขกันเอาแต่วัตถุขึ้นี่ยเอาแต่กายเึ้นเ่ยไปเข้าใ จ, จาแต่นี้เต็มพระเจ้าท่านเอาใจเอแต่ใจมีอายุอายุคนทุกข์ใจมีศีลศีลคนทุกข์เนี่ยคือใจคนทุกข์เนี่ย ใจมีความสุขความสุขพ้นทุกข์ใจมีทรัพย์ทรัพย์พ้นทุกข์ใจมีกําลังกําลังพลนทุกข์นี่ยตัวนี้เองนี่แหละขอให้ญาติโยมทั้งหลายจะมีอายุปโนสุขังพลังอ่ามีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกกับเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านเทิน